ในการปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนผิพพานนี้ผู้ปฏิบัติต้องพร้อมที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างไปให้หมดพร้อมที่จะสละลาบยศสรเสริญพร้อมที่จะสละความสุขทางตาหูจมูกเล่นกาย พร้อมที่สละแม้แต่ชีวิตดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่าให้สละทรัพเพื่อรักษาอวัยวะให้สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและให้สละชีวิตเพื่อรักษาธรรมนี่คือสิ่งที่พวกเราปรารถนากัน พวกเราปรารถนาธรรมคือมรรคผลนิพพานที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าคุณค่ากว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นรากยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายไม่ว่าจะเป็นชีวิต ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มีคุณค่าเท่ากับธรรมของพระพุทธเจ้าคือมรรคผลนิพพานและทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายไม่ว่าจะเป็นชีวิตก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องสูญเสียไปอยู่ดี เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพลากจากทุกสิ่งทุกอย่างไปดังนั้นถ้าเราต้องพัดพลากจากทุกสิ่งทุกอย่างไปเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่มีคุณค่ากว่าทำไมเราไม่ทำกัน ดีกว่าพัดพรากแบบไม่ได้อะไร <c oughs> นอกจากความทุกข์ถ้าเราปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานแล้วเรายอมสละลาบยศสรรเสริญยอมสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายยอมสละชีวิตไปแต่เราได้มรรคผลนิพพานมามันคุ้มค่าคุ้มค่ากว่าการที่เรา จะอยู่กอดกับราบยศสรรเสริญกอดกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ต้องสูญเสียมันไปในที่สุดโดยที่ไม่มีอะไรเป็นผลตอบแทนคืนมานี่คือลักษณะของผู้ที่ไม่ยอมปฏิบัติธรรมเพราะยังรัก ในราบยศสรรเสริญยังยังรักในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายยังรักชีวิตอยู่เวลาที่ต้องสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปก็จะไม่มีอะไรได้กลับคืนมานอกจากความทุกข์ทรมานใจแต่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพาน ยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นความสุขทางตาหูจมูกเนื้อก่ายไม่ว่าจะเป็นชีวิตของตนเวลาที่ต้องสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปมีสิ่งตอบแทนกลับคืนมาก็คือมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งนี่เที่เรียกว่ามรรคผลนิพพาน ต้องได้ขัน้นใดขั้นหนึ่งอย่างแน่นอนถ้าไม่ได้ขั้นโสดาบันก็ได้ขั้นสกิดาคามีไม่ได้ขั้นสกิดาคามีก็ได้ขั้นอนาคามีไม่ได้ขั้นอนาคามีก็ได้ขั้นพระอาหารหันต์ถ้ามีการปฏิบัติแบบพุทธถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา อย่างบรรดาพระสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติกันมาอย่างบรรดาครูบาอาจารย์ต่างๆที่พวกเรากาบไหว้บูชากันท่านเป็นผู้ที่สละหมดทุกสิ่งทุกอย่างท่านสละลาบยศสรรเสริญสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายสละแม้แต่ชีวิตยอมเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เวลาที่ท่านไปทุดงอยู่ในป่าตามลำพังอยู่กับสิงสาราสัตว์อยู่กับภัยอันตรายรอบด้านท่านยอมเพราะท่านรู้ว่ายังไงยังไงก็ต้องเสียมันไปอยู่ดีไม่ช้าก็เร็วทุกคนที่เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันไปอยู่ดี แต่ถ้ายอมเสียเพื่อที่จะได้แลกกับมรรผลนิพพานมาท่านเห็นว่ามันคุ้มค่ากว่าที่จะหวงแล้วไม่ยอมออกปฏิบัติเพราะจะถึงเวลาที่ต้องสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปต้องสูญเสียชีวิตไปจะไม่มีอะไรติดมือไปด้วย เวลาที่ตายไปแล้วนี่แหละพวกผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากวัตาการแห่งการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายจำเป็นต้องคํานึงถึงการเสียสละนี้ให้มากๆถ้าไม่ฉะนั้นแล้วจะไม่สามารถที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าได้ ในทางของที่พระพุทธเจ้าและพระอาหลานตถาภูมิทั้งหลายได้เดินไปกันเราต้องระลึกถึงพระพุทธประวัติรละลึกถึงพระสาวกรประวัติเพื่อที่จะได้มีคติเตือนใจเราเวลาที่เราเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายหรือเกิดการ เสียดายในสิ่งต่างๆขอให้เราคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายว่าการสูญเสียสิ่งต่างๆที่เราเสียดายนี้มันไม่มีความหมายอะไรเลยเมื่อเปรียบกับสิ่งที่ได้รับตอบแทนกลับคืนมาก็คือได้รับมรรคผลนิพพานเป็น เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนกันถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะมีกำลังใจที่จะเดินต่อไปปฏิบัติต่อไปจะไม่ย้อนกลับไปหาความสุขเล็กๆน้อยๆความสุขชั่วครั้งชั่วคราวจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะเราจะ วุ่งไปข้างหน้าปฏิบัติอย่างไม่ย่อท้อไม่ท้อถอยจนในที่สุดก็จะได้สิ่งที่เราปรารถนากันอย่างแน่นอนถ้ามีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่มีการหยุดไม่มีการยอมแพ้ต้องไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอน ขอให้พวกเรามีความมั่นใจได้ขอให้เรามั่นใจว่ามรรคผลนิพพานนี้มีจริงเป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติคือให้ทำทานให้รักษาศีลให้ภาวนาให้ทำมากๆให้ทำเต็มที่ให้ทำอย่างเดียว ไม่ทำอย่างอื่นถ้าเราทำอย่างนี้อย่างเดียวเราก็จะได้ผลเร็วถ้าเราทำหลายๆอย่างไปด้วยก็จะช้าหรือจะไม่ได้ผลเลยเพราะจะต้องเสียเวลาไปกับการทำภารกิจอย่างอื่น ภารกิจที่จะทำเพื่อมรักผลนิพพานก็จะทำได้น้อยและอาจจะไม่พอเพียงต่อการให้เกิดผลขึ้นมาก็ได้ดังนั้นผู้ที่ปรารถนามรักผลนิพพานจึงจำเป็นที่จะต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างไปในเบื้องต้นก็ฝึกสละไป ตามกำลังที่สามารถทําไปได้ก่อนตอนนี้มีอะไรที่สละได้ก็สละไปแล้วพยายามสละต่อไปอีกจนกว่าไม่มีอะไรที่จะต้องสละสละลาบยศสละเสริญสละความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายไปทําไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีกำลัง ที่จะทำเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆต้องปฏิบัติไปทั้งสามส่วนเลยทานก็ทำาศีลก็รักษาภาวนาก็บมเพ็ญเจริญถ้าได้มีการบำเพ็ญภาวนาความเจริญนี้จะมีการคืบหน้ามาก มากกว่าการทำทานรักษาศีลเพียงอย่างเดียวจะไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่แต่ถ้าเราทำทานรักษาศีลแล้วเราก็ภาวนาไปด้วยอย่างน้อยวันหนึ่งก็ต้องมีการนั่งสมาธิอยู่ตอนเช้าบ้างตอนก่อนนอนบ้างเป็นจุดเริ่มต้นในระหว่างวันเวลาทำงานทำการ ก็ให้เจริญสติควบคุมจิตใจให้อยู่กับปัจจุบันอย่าปล่อยให้ใจลอยไปในอดีตหรือลอยไปในอนาคตพอใจจะสงบใจจะเป็นสมาธิได้ใจจะต้องอยู่ในปัจจุบันถ้าใจอยู่ในปัจจุบันเวลานั่งสมาธิ กำหนดใจให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทโธถ้าใจไม่ไปที่อื่นใจอยู่กับลมหายใจเข้าออกหรืออยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธไปใจจะรวมเข้าสู่ความสงบได้เราจะได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้รับจากลาบยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกิ่นรสโผฏฐะแล้วจะทําให้มีกําลังใจที่จะจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นอยากจะนั่งสมาธิให้มากขึ้นก็จะนั่งหลายหลายครั้งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจากวันละสองครั้งก็เป็นสามสี่ครั้งหรือวันไหนที่ไม่ต้องทำงานก็จะได้ปฏิบัติทั้งวัน ต่ไม่อยากจะไปทำอะไรเพราะไม่มีอะไรเหมือนกับความสุขที่ได้จากความสมางบการภาวนานี้เป็นการปฏิบัติที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้การดำเนินไปสู่มรรคผลนิพพานนี้คืบหน้าไปได้อย่างรวดเร็วถ้าเพียงแต่ทำทานรักษาศีลห้าไป อันนี้จะยังไม่สามารถที่จะไปถึงโลกุตระธรรมได้ไปได้แค่ระดับสวรรค์ชั้นเทพเท่านั้นถ้าทําบุญทําทานรักษาศีลห้าถ้ารักษาศีลทําทานด้วยรักษาศีลแปดรักษาศีลแปดแล้วก็ภาวนาด้วยก็จะไปสู่ชั้น พรหมโลกได้สมาธินี้เป็นเป็นเหตุที่จะทำให้จิตนั้นได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมโลกแล้วถ้าอยากจะก้าวเข้าสู่อริยมรรคอริยผลก็จำเป็นที่จะต้องเจริญวิปัสสนาภาวนาต่อจากสมถภาวนาคือ การนั่งสมาธิทำใจให้สงบพอออกจากสมาธิมาใจเริ่มคิดปรุงแต่งก็อย่าปล่อยให้คิดไปทางโลกทางความอยากทางกิเลสตัณหาให้ใจดึงมาคิดในทางธรรมให้คิดในสภาวะธรรมทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถที่จะสั่งหรือควบคุมบังคับให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามความอยากตามความต้องการของเราได้เสมอไปเวลาที่อยากแล้วไม่ได้ก็จะต้องเสียใจต้องทุกข์ใจถ้าไม่อยากจะเสียใจไม่อยากจะทุกข์ใจ ก็ต้องยอมรับความจริงของสิ่งต่างๆว่าเขาเป็นอย่างนั้นจะไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นั้นย่อมไม่ได้เสมอไปอาจจะได้บ้างบางครัง้งบางเวลาแต่ จ, จะให้ได้ทุกครัง้งทุกเวลานี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ถ้าสอนใจให้เห็นอย่างนี้ใจจะได้หยุดความอยากต่างๆได้ ถ้าหยุดความอยากต่างๆได้ก็จะบรรลุธรรมได้เช่นถ้าจะหยุดความอยากไม่แก่หยุดความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหยุดความอยากไม่ตายได้ใจก็จะไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็ได้เข้าสู่ขั้นของพระโสดาบัน ที่เห็นว่าสิ่งใดที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเช่นร่างกายเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดาล่วงพน้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ ย่อมมีการพัดพลาจากการเป็นธรรมดาร่วงพ้นจากการพักพลาจากการไปไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะสอนใจอยู่เรื่อยๆหลังจากที่ออกมาจากสมาธิแล้วแล้วสอนไปจนกว่าจะเกิดความอยากที่จะหยุดพัก ก็กลับเข้าไปในสมาธิพักเอากำลังเพราะการพิจารณาทางปัญญาก็สามารถพิจารณาได้ในระยะในระดับหนึ่งแล้วไม่นานกำลังของสมาธิก็จะหมดแล้วใจก็จะเริ่มโลเลไปคิดทางโลกแทนถ้าไปเริ่มไปคิดทางโลกไปคิดทางความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ก็ควรที่จะหยุดพิจารณาเช่นพิจารณาร่างกายแล้วเกิดความกลัวกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายขึ้นมาก็หยุดพิจารณาไปก่อนแล้วก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่เพื่อที่จะพักจิตและกดกิเลสตัณหาที่เป็นตัวสร้างความอยากต่างๆ ให้แก่ใจเวลาเข้าไปพักในสมาธิจิตสงบกิเลสตัณหาก็จะอ่อนกำลังลงไปพอออกจากสมาธิมาก็จะไม่ออกมาสร้างความอารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์หดหูเวลาพิจารณาความจริงของสภาวธรรมทั้งหลายโดยเฉพาะเวลาที่พิจารณาเรื่องของความเสื่อม ของการดับของสิ่ ง, งต่างๆปกติจิตที่ไม่มีสมาธินี้จะไม่ชอบพิจารณาจะกลัวเวลาคิดถึงความตายนี้จะกลัวมากจะไม่อยากคิดความกลัวนี้เกิดจากจิตที่ไม่มีความสงบที่ไปตัดกําลังของกิเลสตัณหาคือความอยากอยู่ไปนานๆแต่ถ้าได้เข้าไปในสมาธิ ได้ไปพักจิตพักพักกำลังของกิเลสตัณหาคือตัดกำลังของกิเลสตัณกิเลสตัณหาให้อ่อนลงเวลาออกจากสมาธิมาแล้วมาพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายก็จะไม่มีกิเลสตัณหาออกมาสร้างอารมณ์หดหู่ ก็จะสามารถสอนใจให้จำไว้ได้นานๆต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆจนไม่หลงไม่ลืมจนยอมรับความจริงได้จนทุกครั้งที่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายจะไม่รู้สึกหดหู่จะรู้สึกว่าพร้อมที่จะแกะ่พร้อมที่จะเจ็บพร้อมที่จะตาย นี่คือการพิจารณาในขั้นต้นแต่ยังไม่ได้เป็นขั้นที่ถือว่าสำเร็จจะสำเร็จก็ต้องไปเจอข้อสอบเวลาที่เจอความแก่เจอความเจ็บ <c oughs> เจอความตายเวลานั้นแหละจะได้รู้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านเช่นเวลาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ไปหาหมอ หมอก็วิเคราะห์ว่าเป็นโรคร้ายที่จะรักษาไม่ได้แล้วมีเวลาเหลืออยู่ไม่นานเวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่จะพิสูจน์ว่าปัญญาที่ได้เจริญมาได้เตรียมสร้างไว้มานี้จะมีกำลังที่จะดับความทุกข์ความกลัวตายได้หรือไม่ ถ้าปัญญาที่เราพิจารณานี้อยู่กับเราตลอดไม่หลงไม่ลืมพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาปัญญาก็จะมาแสดงทันทีว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาล่วงพน้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ถ้าอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายจะทุกข์ทรมาน แต่ถ้ายอมรับความจริงยอมรับว่ามันถึงเวลาของร่างกายที่มันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วถ้ายอมรับได้ไม่ต่อต้านความทุกข์ใจก็จะไม่มีก็จะรู้ว่าออตอนนี้เราได้บรรลุขั้นนี้แล้วผ่านข้อสอบข้อนี้แล้วนี่เกิดเรื่องของการ จเจริญวิปัสสนาหรือปัญญาควรทำหลังจากที่ออกจากสมาธิแล้วขณะที่อยู่ในสมาธิไม่ใช่เป็นเวลาที่จะพิ จ, จารณาเพราะเป็นเวลาที่ต้องการพักจิตให้อยู่ในความสงบให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เพราะความสงบนี้จะเป็นผู้กดด้วยตัดกำลังของ ตันหาความอยากไม่ให้มีกำลังมากพอออกจากสมาธิมากิเลสตันหาก็จะได้ไม่มาพาใจไปคิดในทางให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดให้ติดอยู่กับการอยากอยู่ไปนานๆอยู่อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย พอจากสมาธิแล้วมาพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายใจก็จะไม่รู้สึกหดหู่แต่อย่างใดกลับมีความเห็นตามความเป็นจริงนั่นว่าต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆต้องยอมรับความจริงอันนี้ถ้าไม่อยากจะทุกข์นี่แหละเป็นการเจริญปัญญา ต้องทําควบคู่กับการนั่งเข้าไปในสมาธิเพื่อสลับกันทําพิจารณาปัญญาไปพอเริ่มทะเลถลายล่อเริ่มออกนอกรูนอกทางเริ่มไม่ยอมอยู่ในวงของใจรักของอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ต้องหยุดพิจารณาแล้วพักจิตเข้าไปสู่ความสงบเพื่อตัดกําลังของกิเลสตัณหา ให้อ่อนกำลังลงไปแล้วก็ให้กำลังให้ความสุขแก่ใจเพื่อที่จะได้มีกำลังใจที่จ ะ, จะเจริญปัญญาต่อไปเวลาที่ออกมาจากสมาธิต้องพิจารณาอย่างนี้จะลับกับการเข้าสมาธิไปจนกระทั่งไม่หลงไม่ลืมมีความรู้นี้อยู่ควบคู่ไปกับใจเสมอ เห็นร่างกายของใครก็จะเห็นว่าเกิดแก่เจ็บตายเห็นร่างกายของผู้อื่นก็เกิดแก่เจ็บตายเห็นร่างกายของเราก็เกิดแก่เจ็บตายจนไม่หลงไม่ลืมจนเห็นชัดว่าทุกคนนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปแล้วก็ให้มาพิจารณาดูว่าร่างกายนี้มันไม่มีตัวไม่มีตน มันเป็นเพียงอาการสามสิบสองก็ให้ดูแยกอาการสามสิบสองออกมาออกมากองไว้เป็นกองกองเอาผมออกมาไว้กองหนึ่งเอาขมเอาเอาขนมากองไว้กองหนึ่งเอาเล็กแยกออกมาเอาฟันแยกออกมาเอาหนังเอาเนื้อเอาเอ็นเอากระดูกแยกออกมาเอาเอวัยวะต่างๆแยกออกมา แล้วดูสิว่าตรงไหนบ้างที่เป็นตัวเราของเราผมนี่เป็นเ ร, เร า, เ ป, เ, ราเป็นของเราหรือเปล่าเล็บนี่เป็นของเราหรือเปล่าฟันเป็นของเราหรือเปล่าเป็นตัวเราหรือเปล่าเล็บมันก็เป็นเล็บฟันก็เป็นฟันผมก็เป็นผมขนก็เป็นขนเขาไม่มีตัวเราอยู่ในนั้นเราไปตูบเขาเองว่าเขาเป็นเราเป็นของเรา แลวเวลาร่างกายนี้ตายไปเขาไปไหนเขาก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปร่างกาย ถ, าถ้าตายแ ล, แล้วปล่อยทิ้งไว้เฉยๆน้ำก็จะต้องไหลออกมาลมก็ระเหยออกมาไฟก็หายไปทิ้งไว้นานๆร่างกายก็จะแห้งกราบไปแล้วต่อไปก็เปื่อยพุ กลายเป็นดินไปสมัยนี้เราก็เอาเข้าเตาเผาเลยตายแล้วเก็บไว้สามวันเจ็ดวัน <c oughs> แล้วก็เผาเผาง น, น้ำที่อยู่ในร่างกายก็จะถูกไฟไฟเผาละเหยไปหมดลมที่อยู่ในร่างกายก็ออกไปหมดพอเผาเสร็จก็จะเหลือแต่ดินก็คือขี้เท่ากับเศษกระดูกนี่เอง นี่คือร่างกายของพวกเราทุกคน <c oughs> <c oughs> เป็นอย่างนี้เป็นเพียงอาการสารสิบสองที่ทํามาจากดินน้ํำลมไสดินน้ําลมไฟนี้เข้ามาทางร่างกายได้อย่างไรก็ลมที่เราหายใจเข้าไปนี้ก็คือธาตุลมน้ําที่เราดื่มเข้าไปก็คือธาตุน้ําข้าวที่เรารับประทานก็คือธาตุดินะ แล้วเมื่อเข้าไปรวมกันแล้วมันก็ทำให้เกิดธาตุไฟขึ้นมาทำให้ร่างกายร้อนขึ้นมาสังเกตเวลาที่เรารับประทานอาหารกันเสร็จแล้วนี่จะรู้สึกร้อนเพราะมีการผสมของธาตุทั้งสามให้กายให้ผลิตธาตุที่สี่ขึ้นมาคือธาตุน้ำธาตุลมธาตุดินไปรวมกันในท้อง แล้วก็เริ่มมีการเกิดปฏิกิริยาทำให้เกิดความร้อนขึ้นมาเวลาที่เรารับประทานอาหารกันเรามักจะเหงื่อแตกกันเพราะอาหารที่เรารับประทานเข้าไปก็มีธาตุไฟอยู่ด้วยอาหารทุกอย่างนี่เราต้องหุงต้มการหุงต้มก็เป็นการเติมธาตุไฟเข้าไปนี่คือการ มาของธาตุไฟเข้าไปสู่ในร่างกายเมื่อเข้าไปในร่างกายแล้วมันก็ไปแปลงไปเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันผมจึงยาวงอกขึ้นมาได้เรื่อยๆเหมือนกับต้นไม้ที่เราปลูกที่มันโตขึ้นมาจากดินได้ก็เพราะว่าเราคอยเติมน้ำเข้าไปเรื่อยๆพอเติมน้ำน้ำไปผสมกับดินมันก็ไปแปลงเป็น ต้นไม้ขึ้นมาทำให้ต้นไม้เจริญงอกงามขึ้นมาชั้นใดอาหารที่เรารับประทานเข้าไปน้ำที่เราดื่มลมหายใจที่เราหายใจเข้าไปมันก็ไปผสมกันแล้วก็แปลงไปเป็นอวัยวะต่างๆแปลงเป็นผมแปลงเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันทำให้ร่างกายนี้สามารถอยู่ต่อไปได้ แต่มันก็จะอยู่ได้ถึงฉีดหนึ่งแล้วมันก็จะหมดความสามารถที่จะอยู่ต่อไปได้มันก็จะหยุดทำงานหยุดหายใจหยุดรับประทานอาหารหยุดดื่มน้ำพอไม่มีไฟไม่มีลมไม่มีน้าไม่มีดิน้าไปในร่างกาย ดินน้ำลมไฟที่มีอยู่ในร่างกายมันก็แตกสามคีกันอยู่ร่วมกันไม่ได้มันก็แยกทางกันไปน้ำก็ไปทางดินก็ไปทางลมก็ไปทางไฟก็ไปทางนี่คือการพิจารณาเพื่อให้เห็นอนัตตาในร่างกายเห็นว่าร่างกายนี้ไม่มีตัวเราของเราเราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้ที่มาครอบครองร่างกายนี้ เท่านั้นแต่เราไม่ได้เป็นร่างกายเหมือนกับเราเป็นคนขับรถเราซื้อรถมาเราไม่ได้เป็นรถเราเป็นคนขับรถเราเป็นผู้สั่งให้รถวิ่งไปไหนมาไหนถ้ารถไม่มีคนขับรถรถก็จะไม่สามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้ถ้าร่างกายนี้ไม่มีใจผู้รู้ผู้คิดมาเป็นผู้ให้คําสั่ง ร่างกายนี้ก็จะไม่สามารถทําอะไรได้ไปไหนมาไหนไม่ได้นี่คือการพิจารณาเพื่อแยกใจออกจากร่างกายเพื่อที่จะได้เห็นอย่างชัดเจนว่าร่างกายนี้เป็นเพียงอาการสามทิศสองที่ทํามาจากดินน้ํำลงไฟเท่านั้นไม่มีตัวเราหรือไม่มีตัวใครทั้งนั้นอยู่ในร่างกาย เช่นร่างกายของพ่อของแม่ก็ไม่มีพ่อแม่อยู่ในร่างกายนั้นร่างกายของสามีของภรรยาของบุตรของธิดาของญาติสนิทไม่สายก็ไม่มีตัวเขาอยู่ในนั้นเป็นเพียงอาการสามสิบสองผู้ที่สั่งให้ร่างกายนี้ทําอะไรนี้แหละคือตัวพ่อตัวแม่เช่นใจของพ่อใจของแม่ ที่มาสั่งให้ร่างกายของพ่อของแม่ทาอะไรต่างๆเวลาร่างกายของพ่อของแม่ตายไปใจของพ่อใจของแม่แม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะใจนี้ไม่มีวันตายเมื่อไม่มีร่างกายใจของพ่อของแม่หรือของเราของใครก็ตามถ้ายังมีความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ หาความสุขต่างๆก็จะไปเกิดใหม่ไปหาร่างกายอันใหม่ดังนั้นจึงไม่มีใครตายพ่อแม่ไม่ได้ตายสามีภรรยาบุตรธิดาไม่ได้ตายญาติสนิทมิตสหายไม่ได้ตายสิ่งที่ตายไปก็คืออาการสามสิบสองคือดินน้ำลมไฟนี่เอง แล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครที่จะไปยับยั้งไปหักห้ามได้ห้ามไม่ให้ร่างกายนี้ตายไม่ได้ห้ามไม่ให้ร่างกายนี้สลายบุบสลายกลับคืนสู่ดินน้ำนมไฟไปไม่ได้การที่อยากไปให้เขาไม่ตายนี้เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทั้งๆ ท, ที่ใจก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย แต่ใจกลับไปทุกข์แทนร่างกายร่างกายเขาไม่ทุกข์เลยเวลาที่เขาต้องตายเพราะเขาไม่มีความรู้เขาไม่รู้ว่าเขาเป็นร่างกายเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นหรือเขาตายเขาเป็นดินน้ำลมไฟเป็นวัตถุอย่างศาลาที่นั่งอยู่นี้เขาไม่รู้ว่าเขาเป็นศาลาผู้ที่มานั่งอยู่ในศาลานี้เป็นผู้รู้ ว่าเป็นศาลาแล้วถ้าไปหลงไปยึดไปติดว่าเป็นของตนก็จะเกิดความอยากให้ศาลานี้อยู่ไปเรื่อยๆไม่ชำรุดแต่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะอยู่ไปคงเส้นคงวาเหมือนเดิมไปตลอดทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีการเสื่อมไปตามการตามเวลาและย่อมมีการสูญสลายหมดไปในที่สุด นี่คือเรื่องของการพิจารณาเรื่องอนัตตาเรื่องของร่างกายถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วความรู้นี้มันจะอยู่กับใจของเราเวลาเราเห็นร่างกายของใครเราจะได้แยกร่างกายของคนนั้นกับใจของคนนั้นได้ว่าร่างกายเป็นอย่างหนึ่งใจเป็นอีกอย่างหนึ่งเวลาร่างกายของคนนั้นตายไปเราก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจ ไม่วุ่นวายใจเพราะเรารู้ว่าคนนั้นเขาไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจไม่ได้ใจของเขาไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของเขาก็ไปต่อจะไปแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่ได้ทำไว้ถ้าได้ทำบุญไว้มากกว่าทำบาปก็จะไปสูงไปสู่สุคติ ถ้าทำบาปไว้มากกระ บ, บุนบาปก็จะดึงใจให้ไปสู่อบายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์ใหม่หลังจากที่ได้ไปใช้บาปใช้กรรมหรือหลังจากที่ได้ไปรับผลบุญเมื่อบุญที่เราได้รับหมดแล้วบาปกระ บ, บุญไม่มีกําลังที่จะดึงให้ไปอบายหรือไปสวรรค์ ใจก็จะกลับมาได้ร่างกายอันใหม่ถ้ายังมีความอยากที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายถ้ายังมีกามตัญหาก็จะกลับมาเกิดในกามะพบกามะพบก็คือพบของผู้ที่เสพกามคือรูปเสียงกลิ่นรสผลต พ, พะรูปเสียงกลิ่นรสผลพพะนี้ก็มีสองคือ แบบหยาบและแบบละเอียดแบบหยาบก็ต้องมีร่างกายคือร่างกายของมนุษย์หรือร่างกายของเดะชะฉานถ้าแบบละเอียดก็เป็นร่างกายของพวกกายทิพย์เช่นของพวกเทวดาทั้งหลายนี่คือเรื่องของใจที่มาใช้ร่างกายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือการเจริญ ปัญญาก็เพื่อที่จะแยกใจออกจากกายเพื่อจะได้รู้ว่าอะไรตายอะไรไม่ตายและเวลาสิ่งที่ตายไปจะได้าาไม่ต้องไปเสีย อ, อกเสียใจเศร้าโศกเพราะว่าผู้ที่เราคิดว่าตายนั้นเขาไม่ได้ตายคือใจของแต่ละดวงที่มา ครอบครองร่างกายแต่ละร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่หวั่นไหวกับความตายไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามของคนอื่นเราก็ไม่หวั่นไหวของเราเราก็ไม่หวั่นไหวเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเหมือนกับคนขับที่รู้ว่ารถยนต์นี้ไม่ได้เป็นคนขับ เวลาคนขับสูญเสียรถยนต์ไปคนขับก็ไม่เดือดร้อนอะไรถ้าอยากจะซื้อรถใหม่มีเงินซื้อก็ไปซื้อมาใหม่ถ้าไม่มีก็รอไปก่อนรอไปจนกว่าจะมีเงินพอจะซื้อก็ซื้ อ, อมาใหม่ก็เท่านั้นเองร่างกายนี้เป็นสิ่งเป็นเหมือนกับรถยนต์ใจเป็นเหมือนกับคนขับดงั้นใจถ้าได้รับรู้ความจริงอันนี้ ได้มีปัญญาคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเวลาร่างกายนี้เป็นอะไรไปใจก็จะไม่เดือดร้อนใจก็จะตั้งอยู่ในความสงบตั้งอยู่ในอุเบกขาอยู่ในสมาธิได้ถ้าถ้ามีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิก็จะทำใจให้สงบไม่ได้ ถึงแม้ว่าจะรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราแต่มันก็ยังทำใจไม่ได้เพราะความอยากมันมีกำลังมากกว่าความนิ่งความเฉยของใจเราจึงต้องฝึกสมาธิกันให้มากๆเราถึงจะสามารถใช้ปัญญาสอนใจให้อยู่เฉยๆได้ถ้าเรามีแต่ปัญญาแต่ไม่มี ไม่มีสมาธิถึงเวลาที่จะต้องทำใจมันทำใจไม่ได้พวกเราทุกคนก็รู้ว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันเราก็รู้ว่าร่างกายมันก็เป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแต่พอเราเจอความตายกันทำไมเราถึงต้องหวาดกลัวกันทำไมเราต้องวุ่นวายกันนั่นก็เพราะว่าเรายัง ไม่สามารถทำใจให้สงบได้นั่นเองดังนั้นก่อนที่เราจะใช้ปัญญามาสอนใจให้ปล่อยวางร่างกายได้อย่างไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายเราจำเป็นที่จะต้องมีสมาธิก่อนเราจึงต้องเจริญสติให้มากๆไว้ก่อนเพื่อที่จะได้เข้าไปในสมาธิได้แล้วก็ให้ ฝึกให้ทำอย่างชำนาญจนสามารถเข้าออกได้ทุกเวลาที่ต้องการเวลาใดที่ต้องการทาใจให้นิ่งให้สงบก็สามารถสั่งให้ได้ให้ให้สงบได้เลยโดยที่ไม่ต้องหลับตาก็ได้โดยที่ไม่ต้องนั่งก็ได้เช่นเวลาเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายก็สามารถสั่งใจให้สักแต่ว่ารู้ได้ ให้เฉยได้ถ้ามีสมาธิถ้าเคยฝึกสมาธิมาแล้วก็รู้ด้วยปัญญาว่าสิ่งที่เดือดร้อนสิ่งที่จะต้องถูกทำลายนั้นไม่ใช่ตัวผู้รู้ไม่ใช่ตัวจิตแต่เป็นตัวร่างกายที่เป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นเพียงอาการสามสิบสองร่างกายนี้จึงไม่มีคำว่าสัตว์ไม่มีบุคคล ไม่มีหญิงไม่มีชายคำว่าสัตว์บุคคลหญิงชายนี้เป็นเพียงสมมุติที่ใจเราไปสมมติไว้กับร่างกายต่างๆเท่านั้นเองความจริงของร่างกายนี้ก็เป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นเพียงอาการสามสิบสองเกิดแก่เจ็บตายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นเอง นี่คือเรื่องของการพิจารณาร่างกายในส่วนที่เรียกว่าอนิจจังคือต้องรู้ว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดารู้ในส่วนของอนัตตาว่าเป็นเพียงอาการสารสิสองเป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนอยู่ในร่างกายอันนี้ผู้ที่ได้พิจารณาอย่างนี้ก็จะสามารถบรรลุธรรมขั้นแรกได้คือขั้นพระสวัสดบิบาล แล้วถ้าอยากจะบรรลุทำขั้นสูงต่อไปก็ต้องพิจารณาอาสุภะคือความไม่สวยไม่งามของร่างกายเพราะการไม่เห็นอสุภะนี้ถึงทำให้เกิดการมารมขึ้นมาการมารมก็คือการอยากที่จะร่วมหลับนอนกับร่างกายของผู้อื่นอยากมีแฟนอยากมีสามีอยากมีภรรยาเพราะคิดว่ามีแล้วจะมีความสุข แต่มันเป็นความสุขที่หุ้มด้วยความที่ที่ห่อความทุกข์เอาไว้เป็นความสุขแบบยาขมเกิือบน้ําตาลเวลาได้เสพกามก็จะมีความสุขเวลาที่เกิดความอยากจะเสพกามแล้วไม่ได้เสพเวลานั้นก็จะมีความทุกข์ถ้าไม่อยากจะต้องมีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องของการเสพกามก็ต้องศึกษาดู ส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายดูร่างกายที่เวลาตายไปแล้วน่ารักน่าร่วมหลับนอนด้วยหรือไม่หรือดูอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ของร่างกายหรือดูกลิ่นที่ไม่น่าไม่น่าปาฏถนาไม่น่าดมของร่างกายคือให้มองในส่วนที่มันทำให้ไม่อยากที่จะมีการเสพกามนั่นเอง ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆเหมือนกับการพิจารณาอนิจจ์ความไม่เที่ยงเหมือนกับการพิจารณาอนัสตาพิจารณาจนมันไม่หลงไม่ลืมมันจําติดตาติดใจได้ตลอดเวลาเวลา เ, ลา เ, ลาเกิดความอยากจะเสพการมันก็จะนึกถึงส่วนที่ไม่น่าดูไม่สวยไม่งาม น, นี้แล้วมันก็จะดับการอารมณ์ได้ถ้าทําได้ จนไม่มีการอารมณ์หลงเหลืออยู่ภายในใจก็จะได้ทําขั้นสูงขึ้นไปคือขั้นพระ อ, อนาคามีขั้นพระสกิดาคามีก็อยู่ระหว่างกลางคือได้บ้างไม่ได้บ้างทํากามอารมณ์ให้เบาบางลงไปแต่ยังทําไม่ให้หมดยังทําไม่ได้หมดถ้าทําได้หมดก็ได้เรียกว่าเป็นขั้นของพระอนาคามีไป แล้วต่อจากนั้นก็ต้องไปทำขั้นของพระอาหารหันต์ต่อไปพระอาหารหันต์ท่านก็ยังมีความอยากเหมือนกันแต่อยากในสิ่งที่ละเอียดกว่าร่างกายก็คือธรรมารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจนั่นเองก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าธรรมารมณ์นั้นก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมีสุขก็มีทุกข์มีเจริญก็มีเสื่อมอย่าไปยึดไปติด กับความสุขที่ได้จากธรรมารมณ์เพราะเวลาธรรมอารมณ์นั้นเสื่อมไปความสุขนั้นก็หายไปความทุกข์ก็จะกลับคืนมาได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องไม่ไปยึดไปติดธรรมารมณ์เหมือนกับไม่ไปยึดไปติดกับร่างกายนั่นเองเพราะร่างกายก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาธรรมารมณ์ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันให้พิจารณาอย่างนี้ไปจน ไม่มีความยึดติดกับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในราบยศจาระเสินก็ไม่ยึดติดขันห้าลูกเวทนาสัญญาสังขารยิน ญ, ญาณก็ไม่ยึดติดธรรมารมที่มีอยู่ภายในใจก็ไม่ยึดติดปล่อยหมดปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเขาจะเจริญก็ปล่อยให้เขาจเจริญไปเขาจะเสื่อมก็ปล่อยให้เขาเสื่อมไป แล้วจะไม่ทุกข์กับเขาเมื่อไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่แล้วก็เป็นอันว่าหมดภารกิจในการบำเพ็ญในการปฏิบัติเพื่อมรักผลนิพพานนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นถ้าเราเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่นั่นเองถ้าเรายังมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ มีความผูกพันกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เราก็จะเสียเวลากับการที่จะต้องไปดูแลจัดการกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ดูแลเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาที่เราจะเอามาบำเพ็ญสามาถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาให้อย่างต่อเนื่องนี้ก็จะไม่สามารถทำไปได้ทาก็จะทำแบบลักษณะล้มลุกคุกคานไปไม่เจริญก้าวหน้าได้อย่างเต็มที่ ไม่สามารถเดินหรือวิ่งได้คนที่ล้มลุกคุกขานี้ก็จะเดินได้สองสามก้าวแล้วก็ล้มลงไปแล้วก็ต้องคานแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็เดินใหม่แล้วก็ล้มลงไปใหม่ถ้าเดินแบบนี้เมื่อไหร่จะถึงจุดหมายปลายทางคนที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางนี้ต้องเดินได้วิ่งได้ถ้าอย่างนี้เดี๋ยวเดียวก็ถึงจุดหมายปลายทางจะเดินได้วิ่งได้ก็ต้องยืนให้ได้ก่อน ดันใดการที่เราจะภาวนาได้อย่างเต็มที่เราก็ต้องตัดภารกิจต่างๆที่ไม่สำคัญออกไปให้หมดเก็บไว้ภารกิจที่สำคัญก็คือภารกิจเกี่ยวกับการดูแลร่างกายนี้เท่านั้นเช่นหาอาหารมารับประทานอาบน้ำอาบท่ารักษาร่างกายให้สะอาดป้อง ก, กันโรคภัยไข้เจ็บ แล้วก็ดูแลรักษาสถานที่พักที่อยู่อาศัยให้สะอาดเรียบร้อยเท่านั้นก็พอแล้วสำหรับภารกิจภายนอกแล้วเราจะได้เอาเวลาทั้งหมดนี้มาให้กับภารกิจภายในคือการปฏิบัติธรรมเพื่อมรักผลนิพพานนี่คือลักษณะของผู้ปฏิบัติที่เรียกว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรแก่ธรรม ท่านจะปฏิบัติอย่างนี้ดูประวัติของพระสาวกดูประวัติของพระพุทธเจ้าท่านมีแต่การบำเพ็ญจิตตะภาวนาเท่านั้นภารกิจอย่างอื่นนี้ท่านไม่ทำในช่วงที่ท่านบำเพ็ญเพื่อเพื่อมรรคผลนิพพานแต่หลังจากที่ท่านได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วท่านจึงมาทำภารกิจอย่างอื่นเพื่อเป็นการสงเคราะห์โลกต่อไปเท่านั้นเอง แต่ท่านไม่ได้ทำเพื่อตัวท่านแล้วภารกิจของท่านนี้ท่านทำสําเร็จรุ่วรงไปแล้วไม่มีภารกิจอะไรที่ย้องที่จะต้องทำอีกต่อไปสาหรับตัวท่านเองท่านก็เลยเอาเวลาที่เหลืออยู่อย่างพระพุทธเจ้าก็ตัดสะลุในขณะอายุที่ 35, สามสิบห้าพรรษาก็หลังจากนั้นก็ใช้เวลาที่เหลืออยู่สี่สิบห้าปีด้วยกันในการ เผยแผ่พระธรรมคำสอนสั่งสอนให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติได้บรรลุธรรมกันท่านกระทาเพียงแต่งานเผยแผ่เท่านั้นภารกิจของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีการสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างเจดีย์สร้างอะไรต่างๆท่านมีแต่เผยแผ่สั่งสอนทำทั้งนั้นวันหนึ่งนี้ท่านใช้ภารกิจมีอยู่ ในในแต่ละวันนี้ท่านมีภารกิจอยู่ห้าข้อด้วยกันสี่ข้อนี้ก็เกี่ยวกับการอบรมสั่งสอนผู้อื่นข้อที่ห้าก็เกี่ยวกับการดูแลเลี้ยงดูร่างกายคือตอนบ่ายก็ทรงสั่งสอนสัทายาญาิโยมตอนค่ำก็สั่งสอนภิกษุสา ม, มเณรตอนดึกก็สั่งสอนเทวดาและตอนเช้าก่อนที่จะออกบินตบาน ก็ทรงเล็งยานดูว่าวันนี้จะไปสั่งไปโปรดไปสั่งสอนใครดีบุคคลใดสมควรต่อทำที่จะทรงสอนพระองค์ก็จะมุ่งไปสู่บุคคลนั้นแล้วก็ทรงออกบินทบาตเพื่อเลี้ยงชีพนี่คือพุทธกิจห้ากิจที่หลังจากที่ได้ตัดสู้เป็นพระอรหันตสัมมาสาัมพุทธเจ้าแล้ว แต่ก่อนหน้านั้นพระองค์ไม่มีภารกิจเหล่านี้ไม่สนใจที่จะสั่งสอนใครเลยมีภารกิจอันเดียวที่ยังที่ทําอยู่ในพุทธกิจห้าก็คือบินทบาสเท่านั้นทรงบินทบาสหลังจากบิณทบาสชันเสร็จแล้วก็ปีกวิเวทเข้าสู่ที่สงบเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาไปเรื่อยๆจนกว่าที่จะ บรรลุมรรคผลนิพพานพวกเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานในขั้นที่ขั้นของการปฏิบัติเราต้องปฏิบัติเพียงอย่างเดียวอย่าไปยุ่งกับเรื่องอย่างอื่นอย่าไปสนใจกับเรื่องผ้าป่าสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างอะไรต่างๆที่ไม่จำเป็นที่จะต้องทำ งานที่จาเป็นของเราก็คือการปฏิบัติจเจริญสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนานี้เท่านั้นขอให้ทำอย่างนี้ไปจนกว่าเราจะได้มรรคผลนิพพานเมื่อได้มรรคผลนิพพานแล้วทีนี้จะไปทำงานอย่างอื่นก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าสั่งสอนไม่ได้อยากจะสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ก็สร้างไปบางท่านท่านไม่รู้ท่านไม่ถนัดในการสั่งสอน ท่านถนัดในการสร้างเจดีสร้างโบสถ์สร้างวัดท่านก็สร้างไปท่านจะสร้างอะไรหรือไม่สร้างอะไรก็ไม่เป็นปัญหากับตัวท่านเองเพราะปัญหาต่างๆของท่านนั้นท่านได้ทําลายหมดไปแล้วตัวท่านไม่มีปัญหากับใครทั้งนั้นเพราะไม่มีตัวปัญหาคือตันหาความอยากได้ถูกทําลายไปหมดแล้วดังนั้นหลังจากนั้นท่านจะอยู่เฉยๆก็ไม่เป็นตันหา ท่านจะสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ก็ไม่เป็นปัญหาหรือท่านจะเผยแผ่ธรรมะเพียงอย่างเดียวก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันอันนี้แล้วแต่ความถนัดความรู้ความสามารถของแต่ละท่านท่านถนัดอะไรท่านก็ทำไปในในในเรื่องนั้นเรื่องที่ท่านไม่ถนัดท่านก็ทำไม่ได้เหมือนกับพวกเราถ้าเราถนัดมือขวาจะให้เราไปใช้มือซ้ายเราก็ใช้ไม่ได้ เราก็ต้องใช้มือขวาไปถ้าเราถนัดมือซ้ายจะไปใช้มือขวาก็ไม่ได้เช่นเดียวกันแต่ในขณะที่เราปฏิบัตินี้จะปฏิจะถนัดไม่หรือหรือไม่ถนัดเราก็ต้องบังคับมันไม่ใช่บอกว่าเราไม่ถนัดนั่งสมาธิก็ไม่นั่งอย่างนี้ก็ไม่ได้เราไม่ถนัดในการเจริญสติก็ไม่เจริญสติอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนกัน เวลาปฏิบัตินี้ถนัดหรือไม่ถนัดต้องบังคับให้ทำให้ได้เพราะถ้าทำไม่ได้มันก็บรรลุผลไม่ได้นั่นเองผลจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราจะริญสติอย่างต่อเนื่องเราสามารถเข้าสมาธิเข้าออกสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการเราสามารถเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นตายรักได้ตลอดเวลาเห็นว่าร่างกายนี้เป็นดินน้ำลมไฟอาการสามสิบสอง เป็นอสุภะไม่สวยไม่งามได้ตลอดเวลาอันนั้นแหละถึงจะทำให้เราสามารถบรรลุธรรมได้สามารถทำให้เราหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พอเราบรรลุแล้วทีนี้เราจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรนี้ก็ไม่เป็นปัญหาไม่มีใครมาบังคับเราได้ว่าบรรลุแล้วต้องไปสั่งสอนคนนั้นคนนี้ บรรลุแล้วต้องไปสร้างวัดสร้างอะไรอันนี้ไม่มีการบังคับปล่อยให้เป็นไปตามตามอัธยาศัยตามความถนัดภาษาวงกแต่และพระองค์ท่านก็มีความถนัดให้เหมือนกันบางองค์ท่านบางท่านก็สั่งสอนบางท่านท่านก็ไม่สั่งสอนอย่างพระอัญญาณโกนทัญญานี้เท่าที่ทราบมาท่านก็ไปไปอยู่คนเดียวในป่าในเขา จนถึงเวลาที่จะลาจากโลกก็ออกมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็มาลาพระที่อยู่ในสานักกับพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเที่วว่าเป็นหลวงตาแก่ๆรูปหนึ่งก็ไม่ได้ให้ความสำคัญให้ความเคารพจนพระพุทธเจ้าต้องบอกว่านี่เป็นภาษาวกองค์แรกของของพระพุทธเจ้าเขาถึงจะรู้จักท่านแตก่อนหน้านั้นท่านไม่ได้ไป เผยแผ่สั่งสอนไม่ได้ไปทําภารกิจอะไรที่ไหนท่านเก็บตัวคนท่านอยู่ตามนาพังอันนี้ก็เป็นเรื่องของอัจฉริยะใเรื่องของความถนัดเรื่องของบารมีบางท่านก็มีบารมีมากมีคนรู้จักมากอย่างลูกศิษย์ของน้หลวงปู่ม่า น, นี่แต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกันบางองค์ก็มีลูกศิษย์ลูกหามีศรัทธาประชาชนเคารพเรื่อมใสรู้จักมาก ององค์ก็แทบจะไม่มีใครรู้จักเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของวาสนาของแต่ละองค์ที่ได้สร้างมาไม่เท่าเทียมกันแต่มันไม่เป็นปัญหาสําหรับพระองค์ท่านเพราะท่านได้ทําภารกิจที่สําคัญที่จะเป็นที่จะต้องทําได้สําเร็จลุล่วงแล้วส่วนเรื่องของวาสนาบารมีนี้มีหรือไม่มีก็ไม่ได้ไปทําให้การหลุดพ้น ของจิตใจของท่านนั้นมากหรือน้อยต่างกันไปอย่างไรภาษาวกทกรูนี้จิตใจของท่านมีความบริสุทธิ์เท่ากันหมดมีการหลุดพ้นจากความทุกข์เท่ากันหมดเหมือนคนไข้ที่ได้รับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บจากหมอจากโรงพยาบาลหมอรับรองว่าออกจากโรงพยาบาลได้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแล้วแต่ออกมาแล้วจะไปทาอะไรนี้ก็ขึ้นอยู่กับ วาฒนาของแต่ละคนไข้คนไข้บางคนมีกิจการใหญ่โตก็ออกไปทํากิจการใหญ่โตคนไข้บางคนไม่มีกิจการก็กลับไปอยู่บ้านอยู่เฉยๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของฐานะของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันก็คือการได้รักษาโรคภายใคเ้เจ็บให้หมดไปจันนายจิตใจของพระสาวทุกทุ ก, ทกองค์ก็เป็นอย่างนั้น ใจิตใจของพ่อสาวกทุกรูปนี้มีบริสุทธิ์มีความบริสุทธิ์เหมือนกันหมดปราศจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเหมือนกันหมดไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดแต่บุญวาสนาวาสนาบารามีที่จะเอามาใช้ในการทำประโยชน์ได้แก่โลกนี้มีไม่เท่ากันนี่คือเรื่องของการปฏิบัติทาเพื่อมรรคผลนิพพาน ถ้าเราอยากจะได้มรรคผลนิพพานนี้เราต้องพร้อมที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสียไปอยู่ดีถ้าเราสละเพื่อเพื่อการปฏิบัติธรรมเราก็จะได้มรรคผลนิพพานเป็นสิ่งตอบแทนแต่ถ้าเราต้องสูญเสียไปโดยที่เราถูกบังคับเช่นเวลาที่เราตายไปเราก็จะไม่ได้อะไรเป็นผลตอบแทนเลย ดังนั้นอย่าไปเสียดายอย่าไปรักอย่าไปหวงสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นเหมือนกับกับดักไม่ให้เราได้หลุดออกไปจากวัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่พูะเจ้าทรงตรัสไว้เวลาที่ได้ยินข่าวว่าพระมเหสีทรงคลอราชโอรอสโป่งทรงเป่งวาจาว่าราหุลราหุล น, นี่แปลว่าบ่วงท่านบอกว่านี่มาละบ่วงกับดัก ที่จะดึงสัตว์ให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดพอได้รู้ทว่ามีพระราชโอรสแล้วพระองค์ก็เลยต้องถึต้องหนีออกจากพระราชวังในคืนนั้นเลยเพราะถ้าอยู่ต่อไปก็จะต้องถูกบ่วงนั้นรัดคอยอย่างแน่นอนพ่อแม่นี้รักลูกหวงลูกหวงลูก <c oughs> ก็จะติดอยู่กับลูกไปก็จะไม่มีเวลาได้ออกไปปฏิบัติธรรม นี่แหละเราต้องคิดถึงพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างถ้าเราอยากจะไปทางเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ส่งไปต้องระลึกถึงการเสียสละของพระพุทธเจ้าระลึกถึงการเสียสละของพระสาวกของครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านเสียสละกันทุกคนท่านสละทุกสิ่งทุกอย่างที่เราลักเราหวงกันแต่ท่านเห็นว่าสิ่งที่จะได้ตอบแทนมานี้มันมีคุณค่ามากกว่าหลายร้อยหลายพันเท่า ท่านจึงพร้อมยินดีที่จะสละพวกเราถ้าพร้อมยินดีที่สละเราก็จะได้ออกปฏิบัติเมื่อเราได้ออกปฏิบัติแล้วผลก็จะต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างนี้ให้ท่านได้นำเอาไปเพณิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อผลอันเลิศอันประเสริฐคือมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผ่อนอยะถ า, าวาริวาหาปุราปฤปุเรนติสาขังเอวเมวะอิตโตทินางเปตานาังอุป ก, กปดิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดเ ป, ปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาราโสยธามณิโชติราโสยธาสพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีขาโยโกภะอภิวาทานศีลิสานิจังุทธาปจายิโนจตารโธรรมาวาทานติ อายุวโนสุขังภาล่าต่อไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้ถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้ ตอบคำถามที่ถามมาผ่านทางอินเทอร์เน็ตต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านนะคะคำถามแรกจากคุณกอล์ฟข้อที่หนึ่งช่วงนี้ผมจะสวดมนต์แปลและเปิดซีดีบทสวดมนต์ตามไปด้วยเพราะรู้สึกว่านั่งไม่ค่อยได้ดี มีช่วงหนึ่งรู้สึกว่าสวดยากเลยมานั่งสมาธิแทนจนใจเข้าไปรู้เห็นท้องทะเลใหญ่มากไม่ทราบว่าคืออะไรแต่ก็ไม่ได้สนใจหาความหมายจากนั้นจิตก็ว่างลงแล้วมีความรู้ผุดขึ้นว่าสถานที่นี้เราเคยปรารถนาจะมาอยู่เลยพูดกับตัวเองว่า ความปรารถนาอย่างอื่นไม่มีกับกระผมคือตอนนั้นมันคิดแบบนี้ผมจะเดินตามพระอริยะเจ้าทั้งหลายผู้เสด็จใจก็สะดุง้งมันเป็นช่วงเวลาสั้นไม่นานกับบทสวดมนต์แปลจากนั้นก็รู้ตัวออกมาผมคิดในแนวทางนี้ถูกทางไหมครับก็ขอให้คิดไปทาง การปฏิบัติธรรมคือเราต้องมุ่งมั่นต่อการภาวนาการเจริญสติการนั่งสมาธิการเจริญปัญญาตามลำดำับถ้ามีอะไรปรากฏขึ้นมาที่นอกเหนือไปจากงานนี้ก็เราก็ไม่ควรไปสนใจขอให้เรารู้ว่างานที่เราต้องทำก็คืองานเจริญสตินั่งสมาธิและเจริญปัญญา คำถามข้อที่สองเมื่อคืนฟังเทศพระอาจารย์ให้แก้ไขว่าสติเป็นพื้นฐานของสมาธิเลยจับพุโทโธกับสติบริกรรมโดยไม่สนใจลมพอเริ่มรู้สึกสงบดีลงที่คำสุดท้ายว่าโรชั่วไม่ทันหายใจปรากฏเป็นแสงสว่างสี่เหลี่ยมสี่ดวงผมตกใจลืมตาขึ้น เลยมากราบเรียนถามพระอาจารย์เผื่อถ้าเจออีกผมต้องทําอย่างไรครับก็ให้สักแต่ว่รู้ไปเท่านั้นอย่าไปสนใจถ้าเรายัางบริกรรมพุโทโธได้ก็ให้บริกรรมพุโทโธต่อไปถ้าไม่ได้บริกรรมพุโทโธแล้วจิตนิ่งอยู่เฉยๆสักแต่ว่ารูกร้ก็ไม่ต้องทําอะไรให้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนี้เป็นอนิจจังทุกขังถ้าไปอยากให้เขา อยู่ไปนานๆหรือจากให้เขาหายไปเร็วๆต้องให้ปล่อยให้เขาไปเป็นตามเรื่องของเขาเขาจะอยู่ก็อยู่เขาจะไปก็ไปเราไม่ต้องไปให้ความสำคัญกับเขาเพียงแต่ให้รู้เฉยๆปล่อยวางเท่านั้นคำถามต่อไปจากคุณแบล็กเบลูการถือศีลแปดจำเป็นต้องรับศีลจากพระสงฆ์หรือไม่คะ อยากให้เป็นปกติเหมือนศีลห้าค่ะแต่มีคนบอกว่าต้องไปรับจากพระสงฆ์เท่านั้นค่ะการที่เราต้องไปรับจากพระสงฆ์ก็ต่อเมื่อเราไม่รู้ว่าศีลแปดมีอะไรบ้างเราก็ต้องไปถามผู้รู้เช่นพระท่านเป็นนักบวชท่านได้ศึกษาท่านรู้ศีลต่างๆว่ามีอะไรบ้างศีลห้ามีอะไรศีลแปดมีอะไรศีลสิบมีอะไรแต่ถ้าเรารู้แล้วเราก็ไม่ต้องไป ไปหาพระเพราะการรักษาศีลไม่เกี่ยวกับพระการรักษาศีล น, นี้อยู่ที่ตัวเราเองเราเป็นผู้รักษาที่เราต้องไปหาพระเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างหรือเราไม่เข้าใจรายละเอียดแต่ละข้อก็อาจจะต้องไปขอคำปรึกษาแต่การที่ไปขอศีลแบบที่ทํากันทุกวันนี้มันก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรมากนะักเพราะหนึ่งเขาก็ให้เป็นภาษาบาลี บางทีเราก็ไม่เข้าใจความหมายก็เป็นเหมือนนกแก้วท่องพุทธแก้วจ๋าแก้วจ๋าพอหยิบกล้วยให้ก็หยิบความมับเลยพอหยิบแก้วให้ก็เขี่ยทิ้งเลยเพราะฉะนั้นถ้าไปหาพระไปเรียนเรียนเรื่องศีลเราก็ต้องต้องไปศึกษาถ้าเราไม่เข้าใจข้อไหนเช่นข้อข้อรักษาศีลหลังจากไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วนี่ ทำอย่างไรถึงจะถูกถึงไม่ถูกอย่างไรเดินไปสักชั่วโมงหนึ่งได้หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องไปหาผู้ที่รู้ท่านจะได้อธิบายให้ฟังแต่ถ้าเรารู้แล้วว่าเราต้องรักษาอะไรเราก็ไม่ต้องไปคําถามต่อไปจากป้าแมรี่ทำบุญส่งให้คนที่ร่วงรับไปแล้วเช่นบิดาและพี่น้อง ทำยังไงถึงจะถึงเขาและทำได้กี่วิธีคือการทำบุญอุทิศนี้ก็ที่นิยมทำกันก็คือเราทำทานถวายทานให้กับพระเล่นส่บาทถวายประจัยสีที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งหม่มอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ทำแล้วเราก็เกิ <c oughs> ดความสุขใจขึ้นมาเรียกว่าบุญ แล้วเราก็แบ่งความสุขใจนี้ให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้ส่วนผู้ที่จะรับนี้เขาจะรับหรือไม่รับนี้ก็อยู่ที่สถานภาพของเขาถ้าเขาเป็นเศรษฐีเช่นเป็นเทวดาเขาก็ไม่ไม่ยินดีกับบุญที่เราส่งไปให้เพราะว่ามันน้อยเป็นส่วนน้อยไม่มีผลกระทบกับความเป็นอยู่ของเขามากนกะเหมือนกับเราเอาเงินที่จะให้ขอทานไปให้เศรษฐี เขาก็อย่างมากก็ขอบใจเราแต่เงินนั้นมันไม่มีผลอะไรกับตัวเขาเลยแต่ถ้าเขาเป็นขอทานนี่แล้วเขารอรับส่วนบุญนี้บุญที่เราที่ใด้เขานี้จะมีความหมายมากเขาก็สามารถจะเอาไปซื้อข้าวกินได้เขาอดอยากขาดแคลนเหมือนกับขอทานที่เวลาเราให้เงินขอทานล้วก็ให้เพียงเล็กน้อยพอให้กาเอาไป ซื้ออะไรกินยาไส้ได้ไปวันๆหนึ่งเพราะฉะนั้นผู้ที่จะรับนี้อยู่ที่สถานภาพของเขาสถานภาพของเขานี้ก็เกิดจากบุญบาปที่เขาทำในปัจจุบันเวลาตายไปนี่เขาก็จะต้องไปรับผลบุญผลบาปของเขาถ้าเขาทำบุญมากกว่าบาปบุญก็จะพาเขาไปเป็นเศรษฐีไปเป็นเทวดาถ้าเขาทำบาปมากกว่าบุญ ก็บากก็จะดึงให้เข้าไปเกิดในอบายชั้นใดชั้นหนึ่งมีอยู่สี่ชั้นด้วยกันชั้นเดรัจฉานี้เขาก็ไม่มาลร อ, อรับส่วนบุญเขาก็หากินของเขาเองได้ชั้นเปรตอ่าชั้นเปรตเป็นชั้นที่หากินเองไม่ได้ต้องมารอรับส่วนบุญส่วนถ้าอยู่ในนรกนี้ก็จะไม่ไม่สามารถออกมารับส่วนบุญได้ดังนั้นก็มีอยู่ชั้นเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้มารอรับส่วนบุญก็คือเปรต เปรก็คือผู้ที่กขณะมีชีวิตอยู่นี้ไม่สนใจกับการทําบุญมีเงินเท่าไหร่ก็เอาไปเที่ยวเอาไปกินเอาไปดื่มเอาไปเล่นกันเสียดายทาบุญแล้วเสียดายคิดว่าเอาเอาเงินไปทิ้งน้ำํำซื้อไปกินเอาไปดื่มไปเที่ยวยังได้ความสุขบ้างพวกนี้ก็จะคิดอย่างนี้แล้วเขาก็ไม่กลัวกับการทําบาปเวลาเขาอยากจะได้อะไรถ้าเขา หาด้วยวิธีที่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทำบาปไม่ได้เขาก็จะทำบาปไปลักขโมยไปช่อโกงไปทำอะไรที่ผิดศีลพอเขาตายไปเขาก็เลยต้องไปเป็นขอทานเพราะเขาไม่มีบุญติดตัวไปเขาไม่มีศีลเขาก็ไปสู่สวรรค์ไม่ได้ผู้ที่จะไปสวรรค์ได้นอกจากมีมีทานแล้วก็ต้องมีศีลด้วยต้องไม่ทำบาปด้วยบาปมันถึงจะน้อยกว่าบุญ บุญถึงจะสามารถดึงไปสวรรค์ได้แต่ถ้าทําทานแล้วก็ทําบาปด้วยถ้าบาปมากกว่าบุญก็ยังต้องไปเกิดในอบายอยู่ดังนั้นทางที่ดีก็ควรที่จะรีบทําบุญกันอย่าทําบาปกันอย่ามารอเวลาให้คนอื่นเขาส่งบุญไปให้เราอุทิศบุญให้เราเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะส่งให้หรือเปล่าแล้วเราไม่รู้ว่าก็ทําบุญบ่อยหรือไม่บ่อย บางคนนานทีปีหนึ่จะทาสักครั้งปีใหม่ก็ทำสักครั้งวันเกิดก็ทำสักครั้งถ้าเราไปรอรับส่วนบุญของเขาก็ตา ย, ยกว่าจะได้กินแต่ละครั้งนี้นานนี่คือสถานภาพของผู้ที่จะรับส่วนบุญและวิธีอุทิศบุญก็คือต า, าม ร, รมเนียนประเพณีนิยมเขาเชื่อว่าทำบุญกับพระนี่ได้บุญมากที่สุด เ, เขาก็เลยทากับพระแล้วก็อุทิศบุญนั้นให้กับพระ แต่ถ้าพูดตามหลักปฏิบัติทําบุญกับใครถ้าเรามีความสุขใจแล้วก็แบ่งบุญแน่ๆกับเขาได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าโดยความเชื่อเท่าที่ได้ยินได้ฟังมาเขาเชื่อว่าต้องทํากับพระเพราะว่าความเป็นมาของเรื่องการอุทิศบุญนี้มันเกิดขึ้นในสมัยที่พระพุทธเจ้ายัางมีชีวิตอยู่แล้วมีพระเจ้าแผ่นดินรูปหนึ่งตอนคืนท่านปรากฏว่ามีเสียงกระทึกขึ้นโคมเข้ามาอยู่ในวงัง ท่านก็ไม่ทราบว่าเป็นเสียงอะไรมาจากใครตอนเช้าก็ไปกราบทูลถานพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นเสียงของอมาตอมาตที่เคยเป็นอมตะในชาติก่อนนู้นไม่ใช่ออมตะในชาตินี้ชาติก่อนที่ พ, พ, พ, พระเจ้าแผ่นดิน เ, เคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้มีอมาตอยู่คนหนึ่งก็ใช้ออมตะคนนี้ไปทําบุญแทนท่านให้เงินไปซื้อข้าวซื้อของแต่ไหวพระแต่ออมตนี้ยักยอกเงิน ไม่ถวายหมดแบ่งไว้กินไว้ใช้ของตนเองเี่ยการการยักยอกเงินก็เป็นการลักทรัพย์ตัวเองก็ไม่ร่วมมนุโมทนาบุญกับขโมยบุญของผู้อื่นไปพอตายไปเลยก็ต้องไปเกิดเป็นเปรตแล้วก็เลยพอเป็นเปรตก็หิวบุญอยากจะได้อยากได้ความสุขทางทางใจก็คิดถึงพระเจ้าแผ่นดินก็เลยมาหามาส่งเสียงอืทธระทคึกโค พราพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ทำทานแล้วก็อุทิศนี้ไปให้กับอมาะเขานี่คือความเป็นมาก็เลยมีความเชื่อขานกระทาว่าเวลาจะอุทิศบุญนี้ต้องทำบุญกับพระยิ่งได้ทำกับพระพุทธเจ้าจะได้บุญเยอะจะได้ส่งบุญไปได้มากๆซึ่งก็มีส่วนเวลาเราทำบุญกับพระเราอาจจะมีความอิ่มเอิบใจมากกว่าเราทาบุญกับคนธรรมดาก็ได้ บุญก็คือความอิ่มเอิบใจความสุขใจเนี่ยเป็นเหมือนเป็นอาหารใจที่เราสามารถแบ่งปันให้แก่ดวงจิตดวงใจของผู้อื่นได้ถ้าเขารอรับอยู่ถ้าเขาได้ถ้าเขารอรับแล้วเราอุทิศไปเขาก็จะได้ความอิ่มเอิบใจได้ความสุขใจเหมือนกับการได้รับประทานอาหารหมดคําถามจากทางบ้านค่ะหลวงพอ่อมีคําถามน้อยนะวันนี้ ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้ก็ได้พูดเยอะตามคุณชายเอาล ะ, ะคิดถึงคุณหมูล้วคิดถึงบะหมี่ล้วเนี่ยอนนาจารย์พูดถึงอมตะพูดใกล้ๆหน่อยอ า, าจารย์พูดถึงอมตะผมก็นึกได้ว่า ถ้าถ้าอมตะเนี่ยหมายกว่าผู้รับใช้เี่ไหมครับผู้รับใช้ก็จะเป็นดิน น, น, นะฮะแต่ น, นี้ผมเนี่ยอยู่กับหลวงตามาสมัยทเทศอาจารย์ยอยู่ะนะฮะผมก็ยินว่าผู้คนเนี่ยก็พูดว่าหลวงตาเนี่ยแต่ก่อนเป็นจะเป็นดินนะฮะผมก็ไม่เชื่อผมบอกเฮ้ยจะเป็นดินแล้วมาบวชมาเกิดเป็นพระยังไงเขาจะเป็นดินเข ไ, ไม่จะไปรู้ได้ไงใช่ไหมฮะอันนี้ มันก็มีอยู่วันหนึ่งอ่ะท่านองคมนตรีดรอคเตเฉาณศิรวันเนี่ยก็เดินมากระหลวงตาเดินมาขนาดขนาดเสานี่นะผมก็นั่งขนมมือเอกราบก็คอยขอ ข, อขอนมมือนั่งอท่านจะเดินผ่านไปแต่ก่อนที่ทางที่บรรดาดมันเม็ดเดียวมไม่ไม่กว้างพอเดินมาพอเดินมาใกล้ๆครึ่งหนึ่งแค่นี้ท่านก็ชี้มาที่ผมกักระหมัว่านั่งขนมมืออยู่ท่านบอกเออเนี่ยดรตอร์ ไอสองคนเนี่ยแต่ก่อนนี่เป็นอมาตอะอมาตเราเพราะงั้นนี้ผมก็เลยเอออย่างนั้นแสดงหลวงตานี่ชาติก่อนที่เป็นก็จะเป็นดินมาอันนี้อันนี้ผมผมว่าาจารย์พูดถึงเนี่ยผมก็เดึกได้ว่าเออเหมือนก็ได้รับใช้ท่านต่อเนแล้วผมก็ไป่ได้รับใช้เนี่ยไงครับเราใช้ชาตินี้ไงผมก็รับใช้แต่แต่หลวงหลงตาถ้าไม่ได้เป็นก็จะเป็นดิงเนี่ย เราก็สูงสุดแองแอะเหมือนกับพระเจ้าแผ่นดินเหมือนกันถ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินในธรรมไงพระอรหันนี่ก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินของธรรมนะเทียบเทียบได้ใช่ไหมได้แล้วสูงกับพระเจ้าแผ่นดินนี่ในหลวงยังกราบพระพุทธยังกราบพระอรหันเลยครับในหลวงเวลาไปหาหลวงตาท่านก็ไปกราบหลวงตาอยู่อันนี้ผมว่าเออที่แรกผมไม่เชื่อนะมาหลอกกันแต่หลอกให้เราเชื่อ แต่ว่าเอาพอมาถึงนี้พหลวงตาเดินมาแล้วหลงตาท่านรู้ท่านอ่านใจได้ท่าน <laughs> <laughs> เราก็เคยบางทีเรามีความสงสัยอะไรอยู่ในใจเดี๋ยวท่านก็พูดออกมาเองหายสงสัยเลยด <laughs> <laughs> ี่อาจารย์พูดเรื่ององมานมาเนี่ย <laughs> ผมนึกได้ แต่เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องแถมไม่ใช่เรื่องประเด็นสําคัญเลยไม่ค่อยอยากจะมาพูดเดี๋ยวกลัวญาติโยมจะไปหลงไหลกับเรื่องราวเหล่านี้แล้วจะไม่ไม่ภาวนากันนะฮะจะมัวใจแล้วเลือกชาติกันจะคลิกอันนี้มีอีกเรื่องหนึ่งก็คุยกันอ่าเลยตามสบายเวลาครับแต่ก่อนนี้ผมอยู่บริษัทเอโซเนี่ยเดี๋ยวผมก็เป็นประธานชมรมพุทธศาสตร์เอโซ่ใช่ไหมฮะ เป็นเป็นพุธไปผ่านชมรมพุทธศาส์ไอโซของอโซผมก็ปีหนึ่งเนี่ยบริษัทจะให้ผมห้า0มื่นบาทสำหรับพาพนักงานไปทำบุญตามวัดผมก็พาไปพาไปอันนี้พาไปเรื่อยนะฮะหม ด, หมดจนหมดสตังค์ที่บริษัทให้วันทีเราก็ช่วยกันออกมังอะไรบั ง, งอันนี้วันนี้มาไม่ไม่มคืนผมว่าฝันนะฮะมันมันฝันเหมือนกับขึ้นหลับครึ่งตื่นอย่างนี้แหละครับว่า เออผมพาพาหมู่พวกเนี่ยไปทําบุญอ่รถบัสสองคันผมอยู่คันหน้าแต่นี่ก็ไอ้วัดเนี่ยผมก็เข้าไม่ถูกเพราะวัดนี่เป็นวัดใหม่ที่ผมไม่เคยไปแต่นี่นกน็นัดกันทางทางพระทั้งกระทรวงก็ได้ส่งโยมโยมมาคอยรับที่ที่ที่ถนนใหญ่ว่างั้นก็โยมก็ขึ้นมาบนรถคือบนบนรถพระอ่าก็ทักทายกันเรียบร้อยก็ใช่แน่ว่าโยมก็พามาแต่นี้ มาข้างทางนี้่ในว่าทางนี่นะะมันไปตามเหมือนกับทางนี้ก็ภูเขาทางนี้ก็ภูเขาแล้วทางนี้มันไปวิ่งอยู่ระหว่างภูเขาเนี่ยฮะไปแล้วก็ไปไปผมก็ผมมองขึ้นไปข้างบนเห็นเห็นวิมานเห็นวิมานสวยมีไฟแต่ไม่มีไม่เห็นคนนะฮะเห็นแต่วิมานาแล้วก็มีไฟเหมือนกับบ้านเปิด ไ, ไฟไว้งย่านั้แต่สวยสวยกว่า บ, บ้านไอที่เขาตกขายอะไรตรงนี้ แต่ทีผมผมก็พ่อลงุงลุงนั่นป้านใครอ่ะอยู่บนอยู่บนเขา่สวยจังเลยนะลุงก็บอกโอ้ของคุณก็มีหลังหนึ่งว่านะ <c oughs> ลงุงลุงเนี่ยเขาบอกของคุณก็มีหลังหนึ่งนะอเอาเวลาคุณคุณตายไปนะ่ะคุณจะต้องไปได้อยู่หลังหนึ่งเขาเขาเตรียมไว้คุณแล้วระว่างกันนะอเออลงุงเออแต่ผมก็แต่ เ, เราก็ยังไม่ตายนะในฝันนะ <c oughs> ยังไม่ตายนะ แต่นี่อันนี้อันนี้นนตามตามฝันเนี่ยท่านอาจารย์ว่าไงมันมันเป็นก็ <c oughs> บุญบุญมันมาบอกเราไงว่าเนี่ยเราทาบุญแล้วเราก็จะได้อย่างนี้ละ่ ะ, ะท่านบอกว่าคนที่มีความเมตตาทาบุญตื่นก็มีความสุขหลับก็มีความสุขเวลานอนหลับก็จะฝันดีไม่ฝันลายครับครับก็นี่แหละเป็นเป็นวิมานเป็นเรือนใจที่พวกเราสร้างกันไว้ งั้นขอให้ทำไปเรื่อยๆนะมั่นใจว่าเป็นของจริงนะไม่ต้องหลังเลสงสัยอย่าไปคิดว่าทำแล้วจะศูญย์เปล่าเนะพราะเราเวลาร่างกายตายไปนี้เราไม่ได้ศูนไปกับร่างกายเราต้องไปรับผลบุญผลบาปที่เราจะที่เราได้ทําไว้ต่อไปงั้นขอให้พยายามทำไปเรื่อยๆผ ม, นะ ผ, มผมก็เชื่อเชื่อมั่นอย่างนั้นนะนะว่าผมผมผมเชื่อว่าเชื่อว่าคือว่าผมทุกวันผมทําทําบุญทําอะไรมา ผมผมอยู่คนของตาอยู่รับใช้อะไรนะผมไม่เคยไปคดโกงไม่เคยอะไรอะไรนะผมก็ถือว่าผมก็ได้บุญได้รับใช้พระผู้ใหญ่แล้วก็ผมก็ไม่กลัวแล้ะผมไม่ตายเมื่อไหร่ไม่ตายเมื่อไหร่ผมก็ไม่กลัวละตายไงก็ไม่ลงนรกนี่ว่ากันเถอะใช่ไหมผมก็ไม่กลัวและใช่ไหมฮะเนี่ยผมก็มั่นใจอย่างนั้นถูกต้อง ดีสาธุขอให้รักษาความดีไว้เหมือนกับเกลือรักษาความเค็มต่อไปอามีคนถามนะล่าทางเนื้อเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่ถามฝันเห็นวัฒการครับพระอาจารย์ผมเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกครับอยากจะกาเปลี่ยนถามพระอาจารย์ว่าเวลาที่บุคคลที่ได้ธรรมะสูงสูงขึ้นไปนะครับ เออจะต้องเป็นธรรมชาติของการยกระดับอย่างเช่นจากพระโสดาบันเป็นพระะกิทาคาหรือพระอนาคาจนไปถึงพระอรหันต์ครับจะต้องเกิดภาวะที่จะต้องเหมือนกับได้เห็นแสงสว่างหรือเปล่าครับอรือว่าไม่จําเป็นครับอาจารย์มันไม่ใช่แสงสว่างหรอกมันเป็นข้อสอบที่เราต้องทําะถ้าเราผ่านข้อสอบได้เราก็เลื่อนชั้นได้เหมือนกับเราจะเข้ามาหาลายได้เราก็ต้องไปสอบเอนทันก่อน พอสอบเป็นท่านได้เราเข้าเรียนปีหนึ่งก็จะจบปีหนึ่งเขาก็ให้ข้อสอบก่อนก่อนจะขึ้นข้อปีสองได้อันนี้ก็เหมือนกันขั้นพระโสดาบันก็ต้องผ่านเรื่องความแก่ความเจ็บความตายเรื่องการ เ, าเห็นว่าร่างกายไม่มีตัวไม่มีตนไปก่อนอส่วนพระสกิดาคามีพระนาคามีก็ต้องผ่านเรื่องกามอารมณ์คือต้องตัดความอยากเสพกามได้อส่วนพระอรหัาานต์ท่านก็จะตัด อัตตาตัวตนที่มีอยู่ในใจของท่านได้อัตัดความยึดติดกับความสุขที่มีอยู่ในใจได้อันนี้มันมีข้อสอบคือมันมีความทุกข์เป็นข้อสอบเวลาเราทุกข์นี่ปั๊บเราเรารู้ว่าอัอนนี้เป็นข้อสอบแล้วละเช่นตอนนี้เรายังทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอยู่หรือเปล่าถ้าทุกข์ก็แสดงว่าเรายังไม่ผ่านเราก็ต้องศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรม ให้จิตใจสามารถปล่อยวางร่างกายให้ได้ถ้าปล่อยวางได้เวลาเราจะแก่จะเจ็บจะตายเราจะรู้สึกเฉยเฉยคือเป็นอยู่เท่ากันอยู่ก็ได้ไปก็ได้อย่างนี้เรียกว่าผ่านข้อสอบต้องมีข้อสอบคําว่าแสงสว่างก็คือปัญญาความเห็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงร่างกายไม่เที่ยงร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะไม่ยึดไม่ติดเหมือน พอเราไม่ยึดไม่ติดมันจะเป็นอะไรเราก็ไม่ทุกข์กับมันนะนี่เรียกว่าแสงสว่างไม่ใช่แสงสว่างอย่างที่เราใช้ไฟฉายหรือนั่งจิตสงบแล้วสว่างวูบขึ้นมา mm hmm. อันนั้นมันเป็นผลข้างเคียงจากความสงบของใจแต่ไม่ใช่เป็นปัญญาแสงสว่างแห่งปัญญานี่ต้องเห็นปลายลักษณ์ mm hmm. เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วต้องมีดับไปเป็นธรรมดาถึงจะเรียกว่าปัญญาสาธุครับ หนูอยากจะถามอะไรยืนหมาให้หนูเลยอยากจะถามว่าตอนก่อนจะนอนหลับก็เหมือนว่าจิตมันจะเผลอก่อนหลับแล้วทําไมพอเราตั้งสติเพื่อที่จะดูลมเข้าออกก่อนที่จะหลับแล้วทําไมถึงนอนไม่หลับแต่ถ้าเกิดเราคิดเรื่องอื่นหรือถ้าเกิดเราเผลอเมื่อไหร่ทําไมเราถึงนอนหลับครับ ก็เพราะว่าสติเราไ ม, ไม่ไม่ไม่แรงเหมือนกับเวลาที่เราดูลมเวลาดูลมนี้บางทีเราใช้สติมากเมื่อวีสติมากมันก็จะตื่นมันจะไม่หลับแต่ถ้าเวลาเราฟังอะไรหรือเราท่องอะไรไปนี้เราไม่ได้ใช้สติมากพอท่องไปสักระยะหนึ่งแล้วมันสติมันก็หมดมันก็หลับไปงั้นท่านก็อยู่ที่หนูอยากจะหลับหรือไม่หลับถ้าอยากจะหลับก็ ให้สวดมนต์พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวก็หลับถ้าอยากไม่หลับก็ดูลมหายใจไปพอใจยังไม่แล้วครับ เ, เราอยากจะได้อย่างไรอยากจะหลับเลยมีแต่เขาไม่อยากจะหลับกันจะได้ปฏิบัติทำเยอะๆการหลับไม่ได้ประโยชน์อะไรนอกจากได้พักผ่อนร่างกายแต่ถ้าการตื่นมีสตินี้จะได้ธรรมะ ครับเป็อะไรไหมก็เวลาเรียนครับเวลาเรียนตอนที่ครูครูอธิบายแล้วทําไมพอมีสติอยู่แล้วทําไมถึงเรียนได้เวลาไม่มีสติถึงไม่ถึงเรียนไม่รู้เรื่องอะครับก็เหมือนหูเวลาตักเทน้ําใส่แก้วน้ําเนี่ยถ้าน้ํามันตั้งอยู่เฉยเนี่ยเทลงไปมันก็จะเข้าไปในในแก้วหมดใช่ไหมถ้า ถ้าถ้าแก้วมันเลื่อนไปเลื่อนมาหนูเทน้ำเข้าไปมันจะลงไปในแก้วตลอดหรือเปล่าไม่คับใจเราก็เหมือนกันใจเรามีสตินี่แสดงว่าเรานิ่งเราตั้งใจฟังเราก็จะเข้าใจสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังแต่เวลาที่เราไม่มีสติเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาครูเ้าพูดอะไรเราก็ฟังไม่รู้เรื่องั้นถ้าอยากจะเรียนให้เก่งเรียนรู้ต้องมีสติ ต้องตั้งใจฟังเวลาอยู่ในห้องเรียนอย่าปล่อยให้ใจคิดไปเรื่องอื่นให้ฟังอย่างเดียวแล้วหนูจะเรียนเก่งครับอ่าหมด้ใช่ไหมหมดแล้วครับอ่าข่าวธรรมสกานท่านพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงครับอ่าผมจะตรงข้างกับน้องคนนี้นะครับคือภาวนาพุโทโธนะครับพุโทโธห้านาทีครับหาย บอกแมวฟังนั่นบอกก็จะไม่หาวหาวก็ช่างมันแต่ว่าก็พุโทโธพุโทโธจนบางทีขนาดนั่งอย่างนี้นะท่านอาจารย์ครับหลับอ้าวาตายครับหลับแล้วกลับมาใหม่นะครับคือลักษณะอย่างนี้เนี่ยที่บอกว่ามันไม่ใชเฉพาะพุโทโธอย่างเดียวนะโมตัดสะระพระขวัโตนะรัะโต ประมาณสักสี่ห้าหาวแล้วอยากหลับแล้วนะอา จ, จารย์จะแก้ยังไงจะเป็นยังไงหรือว่าเป็นเฉพาะผมคนเดียวเราถือศีลแปดหรือเปล่าเวลาที่เราภอวนาเนี่เออบางวันเรานเานยพราะไม่ได้ถือศีลแปดเนี่ยเพราะการถือศีลแปดนี่จะทําให้เราไม่รับประทานอาหารมากจนเกินไปออนะการรับประทานมากก็จะทําให้ง่วงง่ายง่วงมาก <c oughs> ถึงแม้ว่าถือศีลแปดแล้วบางทีมันก็ยังง่วงอยู่ก็ต้องอดอะไรเรื่องผ่อนอาหารลง อดนี้ดได้ผลเลยใช่ไหมครับได้ได<โ>อดทั้งสามสี่วันด้วยจะไม่ง่วงเลยผมได้ผลแค่วันเดียวครับอย่างที่ท่านอาจารย์พูดนะในใจเนี่ยยังค้านอยู่ท่านอาจารย์พูดบอกจริงเหรอยิ่งหิวนี่มันยิ่งยิ่งไม่มีสมาธิทีผมก็เลยบอกว่าเอาแค่มื้อเดียวพอแต่พอมื้อเดียวปุ๊บเนี่ยช่วงเย็นๆใบ่ายเออสมัยก่อนเราทำสมาธิแม้แต่ เดินจงกลมเนี่ยมันรู้สึกฟุ้งซ่านเยอะแต่ว่าเออมันได้ผลจริงๆแต่ว่าไม่ไม่กล้าที่จะอดหลายความเข้าใจก็ต้องดูกำลังเพราะว่าถ้าสติเรามีกำลังน้อยเวลาอดนี่มันจะยับยั้งความคิดถึงอาหารไม่ได้พอคิดถึงอาหารแล้วมันก็จะโหยมันจะหิวขึ้นมาก็จะภาวนาไม่ได้ <c oughs> แต่ถ้าเรามีสติดีเราควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปในเรื่องอาหารได้เราก็จะ นั่งภาวนาได้อย่างสบายไม่ง่วงครับงั้ก็ต้องดูกำลังของสติเราว่ามีมากน้อยเพียงไรครับผมถ้ายังไม่มไม่มากพออดแล้วก็มีแต่คิดแต่อาหารไม่อยู่กับพุโทโธเลยมันก็ไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรครับต้องพยายามฝึกสติให้มากสตินี้เราฝึกได้ตลอดทั้งวันพยายามฝึกสติกันไปเรื่อยๆก่อน ให้มีให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับร่างกายก็ได้อยู่กับพุโทโธก็ได้อย่าปล่อยให้มันลอยไปลอยมาผมสังเกตว่าเวลาทำสมาธิอย่างภาวนาะพุโทโธนะครับคือมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือหลับมาแล้วเนี่ยนั่งนี่มันเมื่อยไหนอนดีกว่าเพราะพุโทโธก็นานเหมือนกันครับหลับ <c oughs> พอหลับพุบ <c> ห <oughs> ลับแบบไม่รู้สึกตัวเลยครับท่านอาจารย์ ก็ต้องแก้ด้วยเหตุผลจะนอนหลับแล้วมันได้อะไรนั่งแล้วได้อะไรเราต้องใช้เหตุเพราะใช้ผลดูหลับแล้วก็มันก็นอนแล้วก็ไม่ได้อะไรไม่ได้มรคไม่ได้ผลอะไรถ้านั่งนี้เราก็จะได้มรคได้ผลนะเราต้องคิดถึงผลที่จะตามมาจากการกระทําของเรามันจะได้แก้ความขี้เกียจได้ครับผมอีกคําถามหนึ่งครับที่เคยถามพระอาจารย์ก็คือว่าเอ ผมเข้าใจมาตลอดว่าเวลาทําสมาธิพอมีสมาธิแล้วเนี่ยคือหลายว่าอาจารย์เคยบอกผมว่าเออเดี๋ยวปัญญามันก็เกิดขึ้นมาเองนั่นแหล ะ, hmm. ะผมก็เลยทํามาเรื่อยๆจนกระทั่งบางทีเนะี่ยมีสมาธิจนกระทั่งว่าเคยเคนั่งเทียนเนา ะ, ะจนกระทั่งแตกเป็นดาวระยิบระยับน้ําหูน้ําตาไหลก็มันยังไม่เห็นว่าปัญญามันมีตอนไหนเกิดขึ้นสักทีหนึ่ง hmm. พอท่านอาจารย์มาพูด บอกว่าอปัญญาคือออกมาจากสมาธิแล้วเนี่ยเราใช้ปัญญาพิจารณาว่าความเป็นอนิจจังทีนี้ผมก็กลับไปคุยกับอาจารย์อีกบอกเอ้ยอย่างนั้นไม่ใช่นั่นคือปัดสนึกไม่ใช่ปัจนาผมก็เลยมากราบท่านอาจารย์คราวที่แล้วนะครับก็ตอนต้นก็ต้องนึกก่อนไงนึกแล้วพอไปเจอของจริงก็จะเป็น พัฒนาได้ตอนนี้ตอนต้นนึกถึงความตายไว้ก่อนพอพอไปหาหมอหมอบอกว่าจะตายมันจะได้ อ, อหยุดความกลัวได้กับตอนนี้รู้นะครับเข้าใจนะครับถ้าไม่นึกไว้ก่อนเดี๋ยวมันลืมพอหมอบอกจะตายนึกไม่ออกเลยเไม่ยอมตายขึ้นมาอย่างเดียว อ, อยิ่งไม่อยากตายยิ่งทุกข์ใหญ่ผมมีแค่นี้ครับนั่งมา มีใครอยากกระถามอยางไหมถ้าไม่มีก็พอสมควรแก่เวลานะออขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ